อริยมรรคหมวดปัญญาสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะสิ่งห่าหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่14องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดที่หนึ่งหมวดปัญญาสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห5หมรรคคือข้อปฏิบัติใหถึงความดับทุกข์ เรียกเต็มว่าอาริยอัดถางกิกรรมกแปลว่าทางมีองค์แประการอันประเสริฐเรียกสามัญว่ามักมีองค์แปดเริ่มต้นด้วยหมวดปัญญาได้แก่มักข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องและข้อที่สองสัมมาสังกัปปะความดารีชอบหรือความดารีที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ต้องทาความเข้าใจและปฏิบัติให้ตรงก่อน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นและทำให้มากในหมวดอื่นทั้งหมดเจริญถูกทางได้จริงโดยเฉพาะสมาธิทฐิที่เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตเพื่อการตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งเริยสัตต์สประการตัวอย่างหัวข้อภายในประกอบด้วยความสำคัญคำจำกัดความและข้อควรทราบเกี่ยวกับสมาธิฐิพร้อมพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้องทิฐิสองระดับคือโลกิยะสัมมาทิฐิ ละโลกุตระสา ม, มาธิฏิสา ม, มาธิฐิกับการศึกษาการฝึกหัดศีลอบรมความประพฤติแนวทางพัฒนาบุคคลสองแบบคำจำคัดความของสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะในขั้นโลกียะและขั้นโลกุตระอธิบายความเข้าใจผิดในพุทธธรรมว่าไม่ได้เป็นคําสอนแบบปฏิเสธอย่างไรสัมมาสังกัปปะกับองค์มรรคหมวดศีลและโภมิหาร และเรื่องเมตตาซึ่งเป็นข้อหนึ่งในสัมมาสังกัปปะเมตตาที่ถูกที่แท้นั้นเป็นอย่างไรอ่านโดยอริยคุณจมรมผลดีร่วมจัดทาเพื่อเป็นธรรมทานโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตสุเมธคุ้มวงศยาพัดพัวประดิษฐ์เจ้าภาพรองครอบครัวอิมวงสีกอนส น, นันเหลืองเจริญกิจ